อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมาราบรุนซึ่งมีเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุประจัยเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะเราก็จะนํารายการธรรมาราบรุนซึ่งก็เป็นรายการที่จะนำธรรมะดีๆที่เป็นเครื่องสติเตือนใจแก่พุทธศาสนิกชนและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เสนอให้รับฟังกันเป็นประจำค่ะ แล้วสำหรับในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะจำกันได้นะคะว่าดิฉันก็จะได้รับเกียรติจากทางสานีให้มาทาหน้าที่เป็นผู้ที่จะซักถามหรือสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูณภิปุโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกิดเปิดประจำนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นเรื่องของการสากัชาหรือสนทนาธรรมนั่นเองนะคะพบกันในเช้าวันนี้เราก็เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทั่วประเทศเหมือนเคยนะคะส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลางนี้ก็ขนาดขึ้น2คลื่นความถี่ด้วยกันค่ะคือในระบบ FM นั้นก็คือ 9.2.5 เมกะเฮิร์ AM 891กิโลเฮิร์ค่ะให้รับฟังกันนะคะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในส่วนต่างจังหวัดก็รับสัญญาณให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศได้ร่วมกันรับสิ่งดีๆเป็นการรับอรุณในทุกๆเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เกิดสติและปัญญาที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญกันต่อไปนะคะค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะ สาวที่30รกรกฎาคมศร2554นะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่าเดือน8ปีทอค่ะก็ะจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุณอภีปุณโญลูกศิษย์เอกของพระเทพภคุณหลวงพ่อดรสอาดทิโตภาโซพร้อมกันเลยนะคะขอกราบนมัสการเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขา อาจารย์บอลสาธุเจ้าค่ะสําหรับในเช้าวันนี้โยมทราบ ว, ว่าพระอาจารย์ภัยบุ์อภิปุโนโจะเมตตาที่จะนํำคาถาขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะมาสนทนากันต่อและในเช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะถูกใจแกท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินหรือว่าพระอาจารย์บอกว่าเป็นคาถาให้ร่ํารวยอันนี้โยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอยากจะตามรับฟังเต็มที่แล้วเจ้าค่ ะ, คะว่า ทำยังไงถึงจะร่ํารวยแล้วเราใช้เงินยังไงให้อาอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนไว้เจ้าขาเอากลับนัสการเจ้าขาแต่อันนี้เป็นความพิเศษในช่วงเข้าพรรษาในช่วงพรรษาเราก็จะเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้เล่าเอาไว้แล้วก็เอาคาถาเด็ดๆที่พระพุทธเจ้าได้เคยสรุปคือเวลาพระพุทธเจ้าเทศสอนอะไรนะคุณเนนใจตอนท้ายพระสูตรนั้นเนี่ยอาจจะมีคาถาที่เรียกว่าสรุปรอบยอดที่ได้ตรัสมาทั้งหมด <Okay. S 2> เราก็เลยจะเอาคาถาตรงนี้มาเ mm hmm. ล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนต้นเป็นยังไงสรุปเป็นอย่างนี้ท่ <Okay. S 2> องไว้ท่องไว้จําไ ว, ไว้เราจะได้เอาไปใช้ได้วันนี้ก็เป็นอีกประสูตรหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใช้จ่ายเงินอย่างที่ว่า <Okay. S 2> คือว่ามีครั้งหนึ่งพระเจ้าเปรสแตนติโกศลเนี่ยไปในเมืองอไปในเมือง <Okay. S 2> นะที่เหตุที่ไปในเมืองเนี่ยก็เพราะว่ามีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งกุฏิใจรวยมาก mm hmm. <Okay. S 2> รวยมากๆขนาดที่เรียกว่าโอ้มีเงินมากจริงๆอะ <laughs> เป็นถ้าเปรียบสมัยนี้ก็คงเป็นพันพันล้านนะรวยเป็นพันพล้านระดับนั้นแต่ปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้ไม่มีลูกลที่ไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาตายเขาสิ้นอายุไขก็ตายไปใช่ไหมพ <laughs> อตายไปแล้วไม่มีลูกสืบสกุลทรัพย์สินทำยังไงเข้าคลังหลวงแต <laughs> ่มาพระเจ้าประเสรนิโคส่วก็เลยต้องไปตามเก็บทรัพย์นี้เข้าคลังหลวง <laughs> ซึ่งตอนที่ไปที่บ้านเศรษฐีคนนี้เพื่อเก็บรวบรวมทรัพย์นะคือสมัยก่อนไม่มีธนาคารที่จะคอยไปโอนบัญชีอะไรอย่างงี้นะ<ช> ท, รทรัพย์เขาก็จะฝังไว้ตามดินเก็บไว้ที่บ้านใต้ถุนบ้านต่างๆพอไปถึงบ้านก็พบว่าเศรษฐีคนนี้มีการใช้ชีวิตที่ประหลาดมากคือว่าเขากินข้าวเนี่ยนะก็เรียกว่าเอาเอากลวดเนี่ยมาชุบชุบเกลือ <Okay. S 1> ชุ บ, ช, บชุบเกลือแล้วก็กิน นะแทนการกินเนื้อกินปลากินข้าวดีๆอย่างนี้นะจ <Okay. S 2> ะกินกับข้าวต้มแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็เอาเสื้อผ้าปะทะปะทางเหมือนกับเอาคือผ้าเนี่ยแทนที่ว่าจะเป็นผืนใหญ่ๆชิ้นเดียวก็เอาผ้าสามสี่ชิ้นมาต่อกันปะแล้วปะอีกว่างั้น <Okay. S 2> แล้วก็อย่างที่สคือรถของเขาเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็จะเดินทางไปด้วยรถคือลักษณะเกวียนเนี่ยนะซึ่งแทนที่จะเป็นแก่นไม้ไม้แข็งอย่างดีเนี่ยก็เป็นไม้ไผ่นะเอามาปะ แล้วก็เอาไม้มาต่อกันทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความชีวิตมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเ็าเรียกว่าแรงแขนท่างทั้งที่ตัวเองมีเงินเป็นพันๆล้านว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยก็สงสัยอยู่ในใจนะแล้วก็ระหว่างทางจะกลับเข้าพระราชวังเนี่ยก็เลยเอา้าในนีมาในเมืองก็แวะหาพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งก็พอไปหาสมณโคดมพระพุทธเจ้าเราแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สังเกตหว่าเอเวลานี้ มาทำไมเพราะายังกลางวันอยู่ปกติเวลาพระราชาจะไปฟังธรรมเนี่ยคือเนื่องจากกลางวันจะมีกิจการงานมากก็ต้องอาศัยเวลาเลิกงานแล้วใช่ไหม mm hmm. แต่วันนี้มากลางวันด้วยเพราะเหตุอะไรก็เลยถามพระชาปเสนที่โกรธนพระชาปเสนที่โกรธสนก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าไปตามเก็บทรัพย์ของเศรษฐีที่ตายไปแล้วก็ไม่มีลูก <Okay. S 2> ก็เล่าความประหลาดของเศรษฐีคนนี้ให้ฟังสมอย่างอย่างที่ว่าการใช้วยจ่ายทรัพย์ของเขาพระเจ้าก็เลยเ ตรับเรื่องนี้ขึ้นมานะพูดถึงกรรมเก่าอาดีตของเศรษฐีคนนี้แลบอกว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยสมัยนน้นเกิดมานานละนะเป็นเศรษฐนะีแล้วก็ได้เคยเกินข้าวอยู่กาลังกินข้าวอยู่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาเห็นปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินผ่านมาบิณฑบาตพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยให้ลูกน้องของตัวเองนะเอ า, เ อ, าอาหารเนี่ยไปถวาย ไปใส่ในบาตรซะตัวเองไม่ได้ทํานะสั่งเขาทํา<ช>นะสั่งเขาแล้วเสร็จก็พอสั่งเสร็จปุ๊บก็เดินไปเดินหนีไปเดินหนีไปในใจก็คิดว่าโอไม่น่าให้เลยน่าจะเอาอาหารนี้ไปให้ลูกน้องเลี้ยงคนอื่นดี ก, กว่าวนะ<ช>แล้วก็ความที่เขาเป็นคนโลภนะเขาก็เลยต้องการจะมีทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดนะก็เลยฆ่าลูกของพี่ชายนะเพื่อที่จะไม่ให้มรดกตกทอดไปถึงคนอื่นตัวเองจะได้ มรดกทั้งหมดนะ <Okay. S 2> เขาเป็นคนลักษณะนี้คือฆ่าลูกของพี่ชายเพื่อที่ตัวเองจะได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดด้วยผลบุญที่เขาได้สั่งให้ลูกน้องไปถวายทานในพระประเจกพทธเจ้าเนี่ยทำให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ที่มีความละเอียดประณีตมากลหละ <Okay. S 2> อยู่เป็นเวลานานมาก <Okay. S 2> เป็นเวลานานมากแล้วพอเศษของกรรมพอบุญนั้นให้ผลหมดแล้ว นะเศษของกรรมนะนี่เศษของกรรมทําให้เขาเกิดมาเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนี่ยในเมืองอาสาวัตถีนั่นแหละถึง7ชาติ <Okay. S 1> นะ 7, เเศษกรรมเฉยๆนะ <Okay. S 1> เกิดมาเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นพันๆล้านเนี่ยอีก7ชาติแต่ว่าเนื่องจากบาปที่เขาได้สร้างเอาไว้ในการที่ไปฆ่าลูกของพี่ชายนะทำให้เขาเนี่ย เ, เกิดมาในแต่ละชาติ7ชาตินั้นเนี่ยก็ไม่มีลูกสืบสกุล S <S <S มีเมียแต่ไม่มีลูกรหรือบางชาติก็อาจจะไม่มีเมียด้วยนนนะรวย เ, ยเฉยแต่ไม่มีลูกสืบสกุลแล้วความที่เขามานึกเสียดายในบุญกุศลที่เขาได้สร้างไปคือให้สั่งให้ลูกน้องไปให้นะแล้วตัวเองคิดมันเสียดายภายหลังเนี่ยทําให้เขาไม่ได้ความสุขจากเงินทองที่เขามีเลยพระเจ้าก็เลยตรัสเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วพระเจ้าเปเสนที่โกศลก็เลยถามถึงว่า อ้าวแล้วงั้นกติที่ไปของเศรษฐีคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปพ <Okay. S 1> ระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเศรษฐีคนนี้ถ้าเผือว่าในแต่ละชาติที่เขาเกิดมาเจดชาตินี้นะเขาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะไปตกนรกแน่นอน <Okay. S 1> เพราะว่าบุญที่เขาอาศัยจากการถวายทานในพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันส่งผลไปมากแล้วเศษของกรรมนั้นนะทำให้เขายังเกิดมาเป็นเศรษฐีอีกเจดชาตินะ <Okay. S 1> ขนาดนั้นเลยทีนี้ว่า แต่ว่าแต่ละชาติที่เกิดมาก็ไม่มีความสุขจากเงินที่ตัวเองมีนี่ถ้าผมว่าเศรษฐีคนนั้นเนี่ยถวายทานเองนะไม่ได้สั่งให้คนอื่นไปจะยิ่งได้ได้บุญมากกว่า น, นี้อีก <Okay. S 2> แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็สรุปให้ฟังว่าเศรษฐีคนนี้ที่เกิดมาในแต่ละชาติเจ็ชาติที่ผ่านมาตามเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้สร้างบุญเอาไวนะ้ไม่ได้สร้างบุญเอาไว้เป็นคนตรนีแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นนะเราอาจจะเคยเห็น คนในสมัยปัจจุบันเราคุณเตือนใจรวยมากนะ <Okay. S 2> แต่ว่าไม่มีความสุขจากเงินที่ตัวเองมีเราเคยเห็นนะเห็นเยอะเลย<ช>เห็นมีเยอะด้วย <okay. S 2> อ, อย่างเช่นครอบครัวไม่สามัคคีกันหรือว่าอาตมาเคยเห็นเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากเป็นเศรษฐีที่ดินมีเงินเป็นพันพล้านเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่พอใจในเสื้อปะปะเก่าๆของเขานะ<ช>อยุเจ็ดสิบละ ก็ปรากฏว่าพอลูกเต้าเนี่ยหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาให้ใช่ไหมก็ไม่เอาเอาเสื้อตัวเก่าเนี่ยไปทิ้งเก่ามากแล้ว <Okay. S 2> นะพอเอาไปทิ้งเนี่ยก็ยังไปตามหามามาใส่อีกอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้มีความสุขจากทรัพย์ที่ตัวเองมีเท่าไหร่ในด้านนี้ <Okay. S 2> ก็คงจะเป็นเพราะว่ารู้สึกเสียดายในบุญที่เราได้ทําไปพระเจ้ <Okay. S 2> าก็จึงสรุปตรงนี้ให้ฟังว่ า, เ, าเศรษฐีคนนี้ก็จะไปตกนรกละเพราะว่าไม่ได้สร้างบุญเอาไว้มากขึ้น พระเจ้าจึงบอกตรงนี้บอกว่าเข้าเปลือกทรัพย์สินเงินทองเข้าของที่เราหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นพวกทา่านกรรมกรคนใช้และผู้อยู่อาศัยเราเอาไปไม่ได้เลยพึงเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะต้องถึงการละทิ้งไว้ทั้งหมดนะทีนี้นี่คือเรื่องของเศรษฐีตรงนี้พระเจ้าได้ตรัสไว้ในอีกวาราหนึ่งบอกว่าในการใช้จ่ายทรัพย์ของเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักการที่ทําอย่างนี้คือ พึงรู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพยนะ์พึงรู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดํารงชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝุดเครื่องนักนี่คือคาถาในวันนีนะ้คือพึงรู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์พึงรู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดํารงชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ฝุดเครื่องนักไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเครื่องนัก <Okay. S 1> แล้วก็ต่อไปก็ยังบอกว่าโดยมีหลักว่า ารายได้ของเราจะไม่ท่วมรายจ่ายแล้วก็รายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับนะก็คือให้รู้จักกระแสงเงินสดคุณมีรายรับเท่าไหร่คุณทํางบประมาณไหมวันนี้ใช้ใจ่ายเลียงดูคนนี้เป็นยังไงนะจะจ่ายค่าเลีย้งยงยงงี้เราต้องพิจรารณ <Okay. S 1> าไม่ใช่ว่ารับมาปุ๊บจ่ายออกจ่ายออ ก, ย อ, อ, กอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ว่ารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จะมีความเป็นอยู่ฝุดเคลืองพระเจ้าจึงให้รู้จักความได้มาโปกซับ รู้จักความสิ้นปแปลงโภคทัพย์อย่างนี้แล้วก็ดํารงชีวิตให้อยู่อย่างสม่ําเสมอทีนี้เรื่องของทรัพย์สินนะคุณตาใจพุทธเจ้าได้เคยสอนเอาไว้การใช้ทรัพย์สินเนี่ยมีอยู่4แบบนะคือสมมติเงินทุกบาททุกสตางค์เงินในร้อยบาทที่เราได้มาอย่างนีนะ้คุณจะไปทําการงานอาชีพเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าการงานอาชีพที่จะต้องไปทำเนี่ยนะก็คือว่ า, ามีอาชีพอย่างเช่นว่า กศิกรรมวานิชยกรรมคือการค้าขายหรือว่าเป็นข้าราชการเป็นนักรบหรือว่าด้วยศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะด้วยการใช้มือหรือว่าใช้อะไรก็แล้วแต่ทําเองก็ได้จัดให้กระทําก็ได้นะคือทําเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการเขาก็ได้สม <Okay. S 2> พอทําแล้วเงินที่ได้มา100บาทให้แบ่งจ่าย4ส่วนนี่พระเจ้าสอนไว้ไบทที่ว่ารู้จักความได้มาอย่งโปรคาซับเนี่ยคือคุณต้องหาเลี้ยงชีพยอย่างสม่าเสมอ ใช่ไหมต้องรู้จักการทํางานสัมมาอาชีวะต้องรู้จักมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่ออย่างใครบอกว่านั่งโต๊ะทํางานอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายก็เหงื่อแตกเหมือนกันเออถามคุณเตือนใจ <c oughs> คุณเตือนใจมาทํางานทุกวันทุกวันนะ่ยมันก็มีเวลาที่เราเหงื่อแตกนะ <Okay. S 2> ใช่ไหมเดินขึ้นเดินลงไปประชุมพูดในที่ชุมชนอยู่ในห้องแอร์บางทีมันก็ยังร้อนในใจ <Okay. S 2> เราก็ยังมีการเหงื่อแตกแต่พระเจ้าจึงบอกว่ายังมีการมี วาระที่เรียกว่าตัวจะต้องชุ่มด้วยเหงื่ออยู่ <Okay. S 1> อพอเรานี่คือการได้มาอย่างโบกซับได้วความสิ้นไปอย่างโบกับเนี่ยควรจะต้องสิ้นไปด้วยสี่ทางนี้ถ้าสิ้นด้วยทางอื่นไม่ถูกต้องอย่างเช่นบางคนบอกกันเช่นจะจะไปตีไพ่เล่นไพ่เล่นการพนันนะพวกนี้ไม่ถูกนะแต่สี่วิธีนี้มีอะไรบ้างพระเจ้าก็บอกว่าวิธีแรกเนี่ยถ้าเงินหนึ่งบาทของเธอที่ได้มานะสูญเสียไปด้วยหนึ่ง นะคือเลี้ยงตัวเองให้อิ่มหนำเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรยานะข้าทาสกรรมกรมิตรอมมาตให้อิ่มหนำอันนี้ชื่อว่ า, าใช้ถูกต้องฐานที่น <Okay. S> 1นี่คือวิธีแรกละ่ะก็คือเราต้องเลี้ยงดูคนรอบข้างของเราให้ถูกต้องนะอันที่2ก็คือว่ า, าใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันไม่ให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยสูญ เ, เสียไป ด้วยการไฟไหม้น้ําท่วมพระราชายึดเอาไปหรือว่าทายาทที่ไม่เป็นที่รักมายื้อแยงเอาไปตรงนี้หมายความว่าอย่างเช่นบางทีเราต้องจ่ายค่ายามในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะก็ควรใช้ได้จ่ายค่าประกันชีวิตค่าประกันภยัยจ่ายภาษีไอ้พวกนี้ต้อ ง, องจ่ายนะไม่งั้นก็จะมา ย, ยึดทรัพเราอย่างเงี้ยนะเพราะนี้คือวิธีการฐานที่สองเพราะถ้งเงินในร้อยบาทของเราใช้ไปในลักษณะนี้ก็ถือว่าถูก อย่างที่3มพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยให้อย่างที่3มก็คือว่าในการทําปลีกรรมปลีกรรมก็คือการสละออกนะสละไปฟรีๆเลยให้เปล่านะเช่นในการบูชาเทวดาในการนะช่วยชาติในการสงเคราะห์ญาตินะอย่างนี้ทําได้บางทีญาติมายืมเงินเราอะ่ะใช่ไหมเราก็ให้ได้คือญาติยืมเงินนี่ไม่ต้องหวังเอาคืน <c oughs> ถูกไหมมีมางคลพูดไว้อย่างนั้นซึ่งมันจริงๆ สมมติว่าถ้าเขามายืมบ่อยๆเราทํำยังไงเราก็เผื่อเงินของเราที่มีในร้อยบาทเนี่ยอาจจะสักกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่นะ่ะซึ่งคุณต้องทํางบประมาณนะว่าตรงเนี้ยเราแบ่งให้ญาติได้นะเราถ้าเขาจะมายืมเราก็จะเงินตรงนี้ให้ถ้า <c oughs> เขาจะมากกว่านี้เราก็มีแค่นี้ <c oughs> ใช่ไหมเราก็จะมีทางหลีกออกไปได้ผู้เชี่ยวสอนนะเรื่องพวกนี้อืมค่ะแล้วก็ในอันดับที่4นะคือการที่ uh, สมณพราหมณ์พระองค์ไหนที่เพียนเผากิเลส นะอยู่ผู้เดียวในป่าหรือว่าทำการเพียนเผากิเลสอยู่เพื่อละราคะโทสะโมหะเนี่ยควรจะทำทักษิณาทานในบุคคลพวกนี้ด้วยสอย่างออสัด ส, ส่วนไม่ได้บอกเอาไว้นะว่าอันนี้อย่างที่หนึ่งหรซหรือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้พูดะนะผู้เช้าให้เปิดกว้างหมายความว่าให้บริหารให้อย่างเป็นสุขโดยอิ่มหนำนะไม่ฝืดเคืองนักไม่ฟุ่งเฟือยนัก ให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอนี่คือการตรงนี้นะคือโพคทซับที่ได้มาใช่ไหมได้มาละวด้วยความเพียรด้วยความสุจริตสิ้นไปสิ้นไปใช่ไหมก็ด้วย4วิธีนี้แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอนะต้องสม่ำเสมอเพราะไม่งั้นบางทีอย่างสมมุติถ้าเราถวายทานมากเกินไปนะแล้วรูปเมียอยู่ลําบากนะครอบครัวอยู่ลําบากอย่างเงี้ยก็จะไม่ถือว่าสม่ำเสมอโดยถูกต้อง เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาเอาแต่ละท่าน <Okay. S 2> แต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับหลักของที่พ ร, ระบระมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง <Okay. S 2> ใช่ไหมต้องรู้เรื่องกระแสงเงินสดที่เรามีเงินเข้าเงินออกต้องมีการทํางบประมาณคุณจะขับเบนซ์ก็ได้คุณจะใช้ของดีๆก็ได้ไม่เป็นไรถ้าคุณมีเงินเยอะแะคุณร่ํารวยก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะเราต้องรู้ว่า เขาเรียกว่าโภคทรัพย์เรามีเท่าไหนถ้าเผื่อว่าเรามีเงินมากแต่ดํารงชีวิตอยู่อย่างแรงแค้นอย่างเงี้ยจะเหมือนเศรษฐีคนนั้นนะก็จะมีคนกล่าวว่าผู้นี้จะตายอดตายอยากแต่ถ้ามีเงินน้อยเป็นะคนมีเงินน้อยแต่ว่าใช้จ่ายเงินสุรุยสุร่ายนะก็จะมีคนบอกว่ามีชีวิตเขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่อย่างกับคนกินผลมะเดือ่อ คนกินผลมะเดื่อเนี่ยมันมีที่วัดบวรเนี่ยคุณเตือนใจจะมีต้นมะเดื่ออยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีกระ ROC แต่มันก็จะมาใส่วัดอยู่กระร o c พวกนี้เวลามะเดื่อปีหนึ่งมันจะสุกสองครั้งช่วงในพรรษาครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงฤดูหนาวครั้งหนึ่งแต่บาก็สังเกตเห็นว่าพวกกระ ROC เนี่ยเวลามะเดื่อสุกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมากินมะเดื่ออาการที่มันกินมะเดื่อนะคุณเตือนใจมันก็จะคว้ามะเดื่อมาลูกไหนสุก มีกลิ่นหอมแดงๆหน่อยมันไปคว้ามาเสร็จปุ๊บขาสองขามันก็เกาะอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมอีกสองขาหน้ามันเนี่ยมันก็จะจับมาเดือมาแล้วก็กัดกัดหนึ่งครั้งกัดสองครั้งโยนทิ้งเพราะว่ามันไปเจอเม็ดเมล็ดของมะเดื่อเนี่ยมันมีเยอะมากพอมันกัดเจอเมล็ดปุ๊บมันทิ้งเลยไอกรอบพวกนี้นะแล้วผลมันอีกตั้งเยอะมันไม่ยอมกินมันทิ้งเลยคือมันสุรุ่ยสุรายมาก เหมือนก็ออกินผลมาเดื่อซึ่งกินทิ้งกินขว้างเลยเป็นคนใช้จ่ายอย่างสุดุยซุระแก็ไม่ดีอีกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ดํารงตนอยู่างสม่าเสมอไม่ฟึดเคืองนักไม่ฟุ่มเฟือยนักลักษณะนี้เราต้องมีวิจารณญาของเราหมายความว่าอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรบรุลอย่างนี้นะเวลาเราฟังเนี่ยเราก็ฝึกจิตไป ในการที่เราฝึกจิตเนี่ยเราจะไม่ไหลไปตามโฆษณาเนี่ยอย่างโทรศัพท์มือถือเราเพิ่งซื้อมาสักสี่เดือนอย่างเงี้ยรุ่นใหม่ออกมาอีกนะว่ารุ่นเก่านี้ยังใช้ไม่ทันเก่าเลยนะแบตเตอรี่ยังไม่ทันเสื่อมเลยด้วยอานาจกิเลสอยู่ในใจเฮ้ออยากได้ขึ้นมาคุณไปซื้อใหม่เอาอย่างนี้มันมันไม่ถูกต้องของเก่าเนี่ยของที่ใช้อยู่เนี่ยมันมันยังใช้งานได้อยู่แต่ที่เราเปลี่ยนมันเพราะว่ารุ่นใหม่มันออก <c oughs> ฟังแล้วก็ยังง ง, งๆเหมือนกันเพราะงั้นเราก็จะไม่ควรจะต้องตามไปกับตามหูจมูกลิ้นไก่ใจนะคนที่ทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีกําลังจิตซึ่งที่เราฟังรายการธรรมะเนี่ยก็เพื่อเพื่อฝึกจิตของเราอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วคาถาที่พระเจ้าได้ให้ไว้เนี่ยก็ <c oughs> เ, เป็นเครื่องเตือนใจเราแหละ ว, ว่าให้มีการดํารงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่งเฟืยนักไม่ฝุดเกือนนั ก, อ, นนกอย่างสมมุติว่า ม, มันก็แล้วแต่คนนะคุณเตือนใจอย่างกรณีนี้อย่างถ้าอของใหม่ๆมันออกมามันมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ ม, มีสิ่งที่เ ร, เราจําเป็นจะต้องใช้ถ้าคุณจะพิจารณาเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ว่าการเปลี่ยนหรือการทำอะไรของเราเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เป็นไปตามอำนาจแรงโฆษณาอย่างเงี้ยซึ่งสามารถพิจารณาได้ทําได้ก็ตามเหตุตามผลอันนี้ก็เรียกว่ามีการโยนิโสมนสิกา เพราะนั้นท่านผู้ฟังประเด็นที่ควรจะต้องเก็บให้ได้ในรายการวันนี้ก็คือว่าให้ทานไปแล้วทำบุญไปแล้วอย่านึกเสียดายนึกเสียดายเมื่อไหร่นะอุ้ยเราได้บุญไม่เต็มได้บุญไม่เต็มหมายความว่าผลของทานที่เราจะได้ได้แน่แต่ความสุขที่คุณจะได้รับจากทานนั้นจะลดลงเหมือนเสียดายของที่เราทำไปอะ่ะอย่าไปเสียดายนะสละออกแล้วคือสละออกสละออกเมื่อไหร่คือไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของคุณแล้วคุณจะไปเสียดายแทนเขาทำไม <Okay. S 1> ใช่ไหมสตาออกแล้วเราได้บุญแล้วนะพระพุทธเจ้ายังเคยบอกว่าก่อนทาระหว่างทำหลังทํนะทํอะไรทาทานเนี่ยถว า, ายทานเนี่ยถ้าเรามีจิตที่มั่นคงตลอดมีศรัทธาตลอดบุญกุณเต็มนะบางคนก่อนให้มีระหว่างให้มีหลังให้มีมน้อยหน่อยหรือ <I S 1> ไม่มี<ะ>อย่างี้คุณก็ได้แค่สองในสา <Okay. S 1> ของบุญที่ควรจะได้เต็มเต็มนี่ แล้วก็ประการหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์พระุทธาก็เปิดกว้างนะแต่ให้อยู่ในหน้าสี่หน้าที่นี้ไหนะอย่าไปเสียกับการเล่นการพนันอย่าไปเสียกับการดื่มสุราอย่าไปเสียกับการนักเรงผู้หญิงแล้วก็การมีเพื่อนชั่วนะสีทางเนี้ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางเสื่อมแห่งโควะนะเป็นเหมือนกับบ่อน้ําบ่อนหนึ่งแล้วก็มีรูรั่วอยู่สีร่รูนะบางคนมีกระเบงใบหนึ่งอย่างเงี้ย รูรั่วไม่ยอมอุดนะั้นน้ําใส่เข้ามาเทเข้ามาเทเข้าม า, า, ม, ามันก็ไม่เต็มสติแต่ถ้าเราอุดรูรั่วแล้วก็เปิดทางน้ําเข้านะนั้นน้ําในบ่อต้องเต็มแล้วเราการใช้ใจ่ายทรัพย์ตรงนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยนะคุณเตือนใจพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับสระน้ําใบหนึ่งนะมีน้ําใสไหลยเย็นจืดสนิทมีท่าขึ้นลงอย่างดีแต่ไม่มีคนใช้อ ม, มันเสียดายคะนะ คือเหมือนกับเรามีเงินมากมีทรัพย์มากมีบาร ม, มีสามารถในรมิตสร้างสิ่งต่างๆได้แต่คุณไม่ใช้ <Okay. S 1> นะ่คนที่มีเงินมากๆแล้วก็อยู่เฉยเฉยเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชนนะ์คืออย่างคนที่มีเงินมากเขาก็จะหาเงินไปลงทุนที่นั่นที่นี่บ้างทําธุรกิจบ้างใช้จ่ายบ้างให้คนอื่นบ้างอย่างเงี้ยถึงจะถูก <Okay. S 1> นะพระเจ้าก็เปรียบเหมือนเลยลนนักษณะนี้คุณมีเงินคุณใช้จ่ายให้ถูกต้องแหมดีมากเหมือนมีสระน้ําใบหนึ่งนะมีคนมาใช้อาบ ขึ้นลงเล่นอย่างสนุกสนานแต่ว่าไม่ได้ใช้จนมันเละเทะน ะ, <Okay. S 1> ะถ้าใช้จนมันเละเทะนี่ก็คือเหมือนพวกไปมีอบายามุกต่างๆลักษณะนี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็เลยอบอกไว้ให้ทราบว่าเออในการที่เราได้ซับมาเราจะใช้จ่ายซับไปเราได้ซับมาเราจะใช้จ่ายซับไปเนี่ยก็ให้นึกถึงคาถานี้ตลอดว่าพึงรู้จักความได้มาโภคซัพย์พึงรู้จักความสิ้นไปโภคซัพย์ แล้วดำรงชีวิตยอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ฟุ่มเฟื่อยนักไม่ฝืดเคืองนักนจะทําให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในเรื่องทรัพย์สินได้ว่ากันเถอะก็เรียกว่าเป็นคาถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งตรัสไว้นะเจ้าคะก็เป็นเรื่องที่โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วเนี่ยคงจะแปลกใจทีเดียวเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ท่านได้ ชี้แจงแสดงธรรมไว้เรียกว่าละเอียดมากเลยในชีวิตความเป็นอยู่ของคารวาสในประการต่างๆถ้าท่านตามรับฟังจากรายการธรรมารา ร, รุลของเราโดยสมูรมาก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นลงไปในสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งใดที่ควรจะทําบ้างอย่างพ่อแม่มีต่อลูกลูกมีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรต่างๆนี่เจ้าค่ะแล้ววันนี้ก็พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนได้มตีตาที่จะพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ อันนี้ก็เป็นเหมือนคถาที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสรุปไว้แล้วว่าพระองค์ท่านองค์พระ ส, ามารสัมภะสมุทรเจ้าได้ส่งชี้แนะไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เหมือนกับพระสูตรอันนี้หรือพระคถาอันนี้ก็เป็นพระคถาที่ถ้าเราปฏิบัติตามทุกอย่างทุกประการแล้วทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์แล้วก็การรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของเราอย่างที่พระอาจารย์เบุญได้เมตตา เล่ามาหรือสากชามาแล้วนี่ก็คงจะเป็นหนทางให้เราเนี่ยมีฐานะร่ำรวยได้นะเจ้าคะ่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเจ้าคะ่ะางนี้นนนในเจ้าคะ่ะในประมาณ3นาทีสุดท้ายนี้เจ้าคะ่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระจันทร์พิบูรณ์อภิปุโนได้กล่าวสรุปเพื่อที่จะให้คติเตือนใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกัน เป็นการปิดท้ายรายการในเช้าวันนี้ซึ่งจะให้คาถาเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีทรัพย์สินแล้วก็หลายคนก็คงจะทราบนะเจ้าค่ะว่ า, าเมื่อจากโรคนี้ไปเนี่ยอะไรเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวเจ้าค่ะแต่อันนี้บางคนก็ยังไม่ไม่ยึดถือตรงนี้ยังสรรหาแล้วก็บางทีก็ไปบิดเบียนคนอื่ น, น ด, ด้วยเจ้าค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะก็คือว่าเวลาที่จะมีเงินมากเงินน้อยเนี่ย อันนี้ยังสําคัญน้อยกว่าที่ว่าจิตของเราเนี่ยต้องทําให้ดีถ้าคุณสร้างเหตุถูกนะมีความขยนันรู้จักรักษาทรัพย์มีเพื่อนดียังไงมันจะต้องรวยแสักวันใดวันหนึ่งเราสร้างเหตุไปสร้างเหตุไปแล้วทรัพย์ที่เรามีหรือทรัพย์ที่เราเสียไปทั้งหลายแล่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทองเข้าของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราเอาไปไม่ได้ทั้งหมดน่าจะต้องทิ้ง ซึ่งจะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราจะเอาไปด้วยได้เนี่ยคือกรรมทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นกุศล <Okay. S 1> นะเหมือนกับไฟไม้บ้านไฟไม้บ้านกุญเตือนใจสิ่งทรัพย์สินเงินทองเฟอร์นิเจอร์อันไหนที่ขนออกบ้างบ้านได้นะอันนั้นเป็นของเรานะเช่นกันชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับเรือนที่กําลังถูกไฟไหม้อยูนะ่มันแก่เข้าไปแก่เข้าไปทุกวันจนทั่งไหม้หมดเมื่อไหร่กายแตกตาย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นของที่อยู่ในบ้านอะไรเอาออกได้อันนั้นเป็นของเราอย่างเช่นคุณมีเงินใช่ไหมเอาออกด้วยการให้ทานนะทานที่เกิดขึ้นบุญที่เกิดขึ้นตามเราไปได้แต่ของนั้นนะต่อใหอ้ลูกหลานเอาเงินยัดไปในปากตอนตามตายไปแล้วนะเรายังเอาไปไม่ได้เลยสับเปลือ ม, มาเอาไปอย่างนี้นะแต่ถ้าเราถวายทานเรานําออกด้วยการให้ทานอันนั้นเราออกไปได้นั่นคือบุญที่จะเกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบว่า เออให้สบายใจนะมีมากมีนะ้อยนะไม่เป็นไรนะเราก็ให้สร้างเหตุให้ถูกต้องก็แล้วกันเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการที่ถ้าหากว่าเราได้ถวายทานหรือทําบุญไปแล้วเนี้ยก็อย่าได้นึกเสียดายนะเจ้าค่ะแล้วก็สิ่งที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะในเช้า ว, วันนี้ที่สําคัญอีกอย่างที่อยากจะเน้นย้ําก็คือเรื่องของการที่ถ้าเราถวายทานหรือปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี้ยเจ้าค่ะก็จะต้องมีความเต็มใจทั้งก่อนถวาย ตอนระหว่างถวายและหลังจากถวายหรือว่าทําไปแล้วก็ขอให้คิดว่าให้เราอิ บ, บุญจะได้ได้บุญทางร้อยเป็นะเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะก็ท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้ดี่ทนคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังท่านพระอาจารย์ไพบุญนายพี่ปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่ อ, อรสอาดที่โทภโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกได้ชี้แจงแสดงธรรมหรือสากระชาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์แล้วก็เป็นหนทางที่จะนํามา สู่ความสงบสุขแล้วก็มีฐานะร่ํารวยมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตามที่คารวะาเราจะพึงมีพึงได้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวมา น, นั้นคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะถึงเวลาจะต้องลาจากกันแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าตีห้มาพบกันใหม่นะคะในรายการธรรมาราบุลน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะซึ่งดิฉันก็จะได้มาสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ภพยบุญอภิพุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบน้ำพิการแทะเท้าขอพระคุณพระอาจารย์ไพ่บูลและกราบลาเกเลยนะเจ้าคะ่ะกราบน้ำพิธการลาเจ้าคะ่ะพระอาะจารย์เจ้าขาใช่อาจารย์านขะทูเจ้าา